ท่านพันานาคุณของการอยู่ป่าและคุณของจิตใจที่เผชิญเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังอย่างจับใจแต่ผู้เขียนจำไม่ได้มากเพราะนิสัยขี้ลืมท่านว่าเวลาจำเป็นด้วยเหตุการณ์ต่างๆบังคับใจรู้สึกเหมือนมีอะไรป้องกันอยู่ภายในชอบคนชนิดบอกไม่ถูกการสร้างตัวของจิตในเวลาจำเป็นก็ง่ายและรวดเร็วผิดธรรมดาอยู่มากจึงทาให้จาต้องชอบอยู่ในที่คับขัน ทั้งที่ปกติเป็นคนขี้ขลาดหวาดโวแวงเวลาเผชิญเหตุการณ์แต่ละครั้งใจรู้สึกเลื่อนฐานะขึ้นอย่างผิดสังเกตจนตัวเองก็แปลกใจและอยากให้เหตุการณ์มีขึ้นเสมอเพื่อใจจะได้พยายามสร้างตัวเองมากขึ้นโดยอาศัยเหตุการณ์เป็นเครื่องสนับสนุนการอยู่ป่าอยู่เขามันดีอย่างลึกลับที่บอกใครไม่ได้ ทังไม่คิดอยากพูดคุยกับใครเกี่ยวกับการอยู่ป่าด้วยเพราะเป็นธรรมะจำเพาะที่เหมาะกับจริตนิสัยของแต่ละรายสำหรับท่านเองเวลาออกมาอยู่ที่หรือป่าธรรมดาใจคอยแต่จะขี้เกียจและประมาทนอนใจไม่สนใจช่วยตัวเองผลเป็นที่พึงใจไม่ค่อยปรากฏฉันก็มากกว่าอยู่ในที่เคยดัดสันดานนอนก็มากความขี้เกียจก็มาก อารมณ์ก่อกวนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันเวลาส่วนสติปัญญาคอยแต่จะลดลงเสื่อมลงสรุปตามนิสัยของท่านแล้วท่านว่าอยู่ในที่ธรรมดาไม่มีอะไรดีขึ้นนอกจากจะอยู่คอยวันตายแบบปล่าประโยชน์เท่านั้นถ้ามิอยากตายแบบโมฆะบุรุษก็ควรออกสแสวงหาธรรมเพื่อเอาตัวรอดพอคิดตกลงก็ตัดสินใจเข้าป่าเขาตามเคย ใจที่เคยประสบความสงบสุขและแพร่พร้าวด้วยปัญญาเราะป่าเพราะเขาเพราะถ้ำหรือเงื้อผามาแล้วจะให้มาอยู่แบบอดอดอยากๆกไม่มีธรรมะสัมผัสใจเลยย่อมอยู่ไม่ได้ต้องเข้าป่าเข้าเขาไปตามนิสัยเมื่อเข้าไปอยู่ในที่เช่นนั้นแล้วใจมีความสะดวกสบายไปตามทัศนียภาพโดยไม่ต้องบังคับขู่เข็นความเพียรกับอริยบทต่าง จะกลมกลืนกันไปเองสติปัญญาที่เคยเป็นคู่เคียงกับความเพียรก็มาเองโดยไม่ต้องร้องเรียกขู่เข็นความขี้เกียจและฉันมากนอนมากก็ลดกันไปเองอะไรอะไรที่เป็นอัตถะเป็นธรรมมากรู้สึกตามตามกันมาสิ่งที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเคยบังคับขับไล่ยากๆเวลาอยู่ในสถานที่ธรรมดาก็ค่อยๆตามกันออกไป โดยไม่จำต้องขับสายไล่สรงให้ลำบากเหมือนอยู่ที่ธรรมดาการฉันการนอนหลับการผ่อนอารมณ์การภากเพียรหลายเป็นความมีประมาณเหมาะสมไปตามๆกันผิดกับอยู่ในที่ธรรมดาอยู่มากเลยทำให้คิดว่าการถอดถอนกิเลสนั้นอยู่ในป่าในเขาถอดถอนง่ายกว่าอยู่ในที่ธรรมดาอยู่มากอยู่ในที่ธรรมดา ตามความรู้สึกท่านว่าแทนที่จะเป็นการถอดถอนกิเลสดังที่เข้าใจแต่กลับเป็นการสั่งสมและส่งเสริมกิเลสไปทุกๆอิริยาบถคือฉันก็มากเพราะตัญหาแอบมากระซิบให้ฉันมากๆบอกว่าอาหารถูกปากถูกท้องถูกธาตุถูกอัธยาศัยและถูกกับจริตนิสัยของกิเลสกิเลสชอบมากต้องฉลองให้มากๆ ก, การนอนก็มาก เพราะกิเลสแอบมากระซิบว่าต้องพักผ่อนมากหน่อยไม่งั้นอ่อนเพลียทำความเพียรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอถึงเวลาความเพียรจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าจริงแต่กลับเป็นเวลาพักผ่อนคือนอนเสียอีกโดยไม่มีกําหนดว่าจะควรตื่นเวลาใดกิเลสไม่กําหนดให้ตื่นเอาเลยที่ว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยไม่ค่อยโผล่หน้าขึ้นมาให้เห็นบ้าง ว่าได้ทําความเพียรกี่ชั่วโมงในวันและคืนหนึ่งหนึ่งนอกจากกิเลสกล่อมให้หลับแต่พอเริ่มชันเสร็จจนยันค่ําไม่เห็นความเพียรมีอํานาจแทกความขี้เกียจเพราะฉันมากได้บ้างเลยการคิดปรุงก็มากจนไม่มีประมาณแต่ละขณะที่คิดปรุงล้วนเป็นเรื่องของตันหาสมุทัยนําทางพาท่องเที่ยวชมตามสถานที่ตึกรามบ้านช่องแล้วโรงอะไรต่างๆ ของนางและเท้ากามตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาจัดแจงไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ขบฉันอย่างอิ่มน้ำคลามพุงและเที่ยวย่อนอารมณ์พูดถึงความขี้เกียจก็มากถ้าศรีรษะได้ลงหมอนแล้วเป็นหายห่วงไปในขณะนั้นใครหรืออะไรอย่ามายุ่งมาปลุกเป็นไม่ได้ผลท่านว่าการชันมากการนอนมากและความขี้เกียจมาก มันเป็นมิตรสหายกันมาดั้งเดิมไม่มีใครสามารถแยกออกจากกันได้ความขี้เกียจนี้เป็นสหายคนสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนจากสหายผู้ฉันมากนอนมากสามสหายนี้ถึงไหนถึงกันไปไหนไปด้วยกันเป็นหรือตายไม่ยอมพลัดพรากจากกันถ้าไม่จับถูถไทยมันเข้าป่าเข้าเขาให้เสือช่วยชําระขับไล่ และความอดอยากขาดแคลนช่วยปราบรามเสียบ้างเป็นต้องตายในเงื้อมือของมันจนได้ไปไม่รอดเพื่อดัดมันให้เห็นริด ก, กันเสียบ้างจึงฝืนใจอยู่ในที่ที่มันไม่ต้องการที่ที่มันกลัวกลัวความภาคเพียนทุกด้านจึงเป็นความราบรื่นสม่ำเสมออะไรอะไรเป็นอัฏฐะเป็นธรรมะไปตามตามกันไม่เป็นกิเลสตันหาดังอยู่ในที่ธรรมดาจึงเป็นที่มันปกครองเราง่าย แต่เราไม่มีโอกาสปวกครองมันได้เลยท่านว่าผมเป็นคนนิสัยฝึกทรมานยากจำต้องหาสถานที่และสิ่งต่างๆช่วยบังคับอีกทางหนึ่งจึงพอมีทางหายใจได้บ้างไม่ตีบตันอันตู้ได้ทายเดียวการอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ในถ้ำและเงื้อมผาดังที่เคยอยู่มานั้นรู้สึกเหมาะกับจริตนิสัยผมผู้มีกิเลสหนาปัญญาทึบพอมีความสงบสบายใจได้บ้าง ท่านว่าตอนท่านยังเป็นหนุ่มยิ่งทรมานมากทั้งอดอาหารผ่อนอาหารทั้งเที่ยว อ, อยู่ในป่าในเขาไม่ออกมาอยู่ที่ธรรมดาได้สะดวกใจเหมือนพระทั้งหลายเลยเนื่องจากสิ่งบังคับให้จำต้องอยู่ในที่เช่นนั้นมันบ่งบอกอยู่อย่างชัดเจนว่าต้องทรมานกันอย่างหนักถ้ายัางหวังครองมรรคผลนิพพานเป็นสมบัติแก่ใจอยู่ถ้าจะไหลไปตามอำนาจของตันหาแล้วก็จงอยู่แบบสัตว์ไม่มีเจ้าของ ไม่กี่วันก็จะเห็นผลของมันแสดงฤทธิ์ให้ดูจนได้นี่แหละเป็นเหตุให้อยู่อย่างธรรมดาธรรมดาไม่ได้ต้องอุตสาบำเพนไปตามสถานที่ดังกล่าวใจกลับเกิดความร่มเย็นสติปัญญาที่ไม่เคยปรากฏก็ปรากฏสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นก็รู้เห็นไปตามลำดับของการฝึกทรมานจึงทำให้ใจหึกหารสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้เป็นพักๆ จนกลายเป็นความพอใจดูดดด่มในสถานที่ที่เห็นว่าเป็นที่ดัดสันี น, นั้นว่าเป็นสถานที่วิมานธรรมะขึ้นมายังไม่คาดฝันตลอดปัจจุบันนี้ใจก็มีความเคารพเทิดทูนสถานที่ป่าที่เขาเหล่านั้นอยู่อย่างสนิทใจอยากไปอยู่จนสถานที่เหล่านั้นกลายเป็นที่เผาศพของตนในวาระสุดท้ายปลายแดนแห่งชีวิต ไม่อยากตายในสถานที่เกลื่อนกลนวุ่นวายการตายในที่เช่นนั้นเป็นการตายที่สงบรื่นเริงในธรรมไม่มีอะไรเข้ามาก่อกวนชวนให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายใจมุ่งต่อธรรมะล้วนๆโดยมีสติปัญญาเป็นเพื่อนสองสนุกไตร่ตรองให้ถึงเหตุถึงผลของอัฏฐะของธรรมะที่มีอยู่ภายในจิตด้วยความรอบครอบขอบจิตใจกับธรรมะ สัมผัสกันอย่างสนิทแนบแน่นพอธาตุขันหมดกำลังสืบต่อลงไปก็สละปล่อยวางไว้ตามความจริงของเขาถ้าเรามีสติปัญญารอบครอบในทุกสิ่งทั้งภายในภายนอกเราก็เป็นเราอย่างเต็มภูมิไม่ต้องไปหยิบยืมคำว่าเราจากสมมุติมาครองให้เป็นบุคคลในสมมุติเช่นโลกสมมุติทั่วๆไป ภาระคือขันที่เคยตะเกียกตะกายแบกหามกันมาก็ปล่อยลงไปทาดเดิมของเราเราก็ปล่อยลงในท่าดเดิมของเขาอนาลโยเป็นสมบัติของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นก็กรองอนาลยะสมบัติไปตามเรื่องก็สิ้นเรื่องกันเพียงเท่านี้จะไปเที่ยวหาอะไรต่อให้เกิดเรื่องยุ่งเรื่องยาวต่อไปอีก ความจริงกิเลสสิ้นจากใจเสียอย่างเดียวเรื่องทั้งหลายก็สิ้นไปในขณะนั้นนี่เป็นคำที่ท่านพันานาสรรเสริญความดีของป่าเขาลำเนาไพรสำหรับจริตนิสัยท่านเองท่านเคยจะรับความสงบสุขทางใจจากป่าตลอดมาจนปัจจุบันไม่เคยเบื่อหน่ายป่าเขาทั้งหลายสมกับอนุาสาตที่พระพุทธเจ้าประทานไว้เพื่อพระผู้บวชแล้ว ให้สแสวงหาที่วิเวกสงัดเพื่อบำเพ็ญเพียรในป่ามีรุกขมูลร่มไม้เป็นต้นท่านอาจารย์องค์นี้มีนิสัยชอบรู้สิ่งต่างๆจำพวกกายทิพย์ที่สายตามนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้เช่นพวกเปรตผีเทวบุตรเทวธิดาพญานาคคล้ายคลึงกับท่านอาจารย์มั่นเวลามีโอกาส ท่านสนทนาธรรมกันกับท่านอาจารย์มั่นเกี่ยวกับพวกกายทิพย์รู้สึกน่าฟังมากทำให้เพลิดเพลินไม่อยากให้จบลงง่ายๆเวลาท่านสนทนาเรื่องพวกกายทิพย์มาฟังธรรมและถามปัญหายิ่งน่าฟังมากเพราะต่างคนต่างรู้พูดไม่มีขัดแย้งกันเลยเหมือนคนเรียนวิชาแขนงเดียวกันพูดคุยกันเรื่องวิชาแขนงนั้นนั่นแหละ ท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกชำนาญทางวิชาการทิพย์พอสมควรผู้เขียนเรียนถามเกี่ยวกับพวกกายทิพย์เช่นพญานาคเป็นต้นท่านพูดได้ละเอียดละออนหน้าฟังท่านว่าพวกพญานาคมีฤทธิ์มากนิรมิตกายได้ต่างๆเวลามาเยี่ยมท่านท่านให้เขานิรมิตให้ท่านดูเขาเรียนท่านว่าการนิรมิตกายของพวกพญานาคไม่เป็นของยากลำบากอะไรเลย จะนิรมิตให้เป็นอย่างไรก็ได้ตามต้องการแล้วเขาก็นิรมิตกายต่างๆให้ท่านดูในขณะนั้นคือเขาเตือนท่านให้คอยดูขณะที่เขาจะนิรมิตกายแล้วเขาก็หายตัวจากที่นั่นไปครู่หนึ่งแล้วปรากฏเป็นตาประขาวเดินมาแต่ไกลเข้ามาหาท่านบ้างแล้วหายไปครู่หนึ่งไปปรากฏเป็นในพรานถืออาวุธมาแต่ไกลเข้ามาหาท่านบ้าง เราหายไปครู่หนึ่งไปปรากฏเป็นช้างใหญ่เดินเข้ามาหาท่านบ้างเป็นต้นถ้าต้องการจะให้เป็นอะไรก็นิรมิตกายให้เป็นอย่างนั้นได้ตามต้องการต้องการจะให้เป็นช้างเป็นคนหรือเป็นอะไรในที่นั้นก็ทำให้เป็นขึ้นในที่นั้นอย่างรวดเร็วทันใจที่ว่าพญานาคพ้นผิดนั้น ทันเล่าว่าสมัยท่านไปเที่ยววิเวกแถบฝั่งแม่น้าโคงกับท่านอาจารย์มั่นขณะพักอยู่ในที่บางแห่งมีบึงน้ำใสสะอาดหน้าอาบดื่มใช้สอยแต่ท่านอาจารย์มั่นห้ามไม่ให้พระลงอาบและตักน้ำที่นั่นมาดื่มและใช้สอยกลัวพญานาคพนพิษใสในน้านั้นไว้เวลาตักมาใช้และอาบดื่มจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยกันลาบากเพราะพญานาคพวกนี้ยังไม่มีความเคารพเลื่อมใสในพวกเรา เขาพยายามแข่งดีกับเรามาหลายคืนแล้วแต่ไม่นานทิฏฐิมานะเขาก็ลงเองสู้ธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้พญานาคพวกนี้ยังไม่เลื่อมใสศาสนาและพวกเราเลยเขายัางเข้าใจว่าพวกเราที่มาพักอยู่ที่นี่จะมาแข่งดีและขับไล่เขาให้หนีไปจากที่นี่เสียฉะนั้นเขาจึงมีปฏิกิริยาท่าทางต่อสู้กับเรามาหลายคืนแล้ว แต่เราไม่สนใจกับปฏิกิริยาของเขาเพราะแน่ใจว่าความชั่วไม่เคยชนะความดีแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ชนะความชั่วด้วยความดีธรรมบทนี้หรือบทใดก็ตามไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอดมานับแต่เริ่มประกาศธรรมะแก่มวลสัตว์จนวันเสด็จเข้าสู่นิพพานเพราะเป็นธรรมะของจริงอันตายตัวโดยสมบูรณ์แล้วไม่มีทางเป็นอื่น แม้ท่านอาจารย์องค์นั้นก็ทราบโดยนัยยะที่ท่านอาจารย์มั่นเตือนเพราะท่านรู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับพญานาคเหล่านี้ได้ดีและเล่าถวายท่านอาจารย์มั่นเช่นเดียวกันไม่นานนักพญานาคเหล่านั้นได้พากันยอมตนถือสรณะกับท่านอาจารย์และถวายอารัค้าเพื่อความสะดวกปลอดภัยทุกประการดังท่านอาจารย์มั่นพูดจริงๆ เมื่อพญานาคเกิดความเลื่อมใส ย, ยอมตนถือสรณะแล้วท่านอาจารย์มั่นจึงถามเขาว่าทำไมจึงพากันพ่นพิษใส่น้ำที่เป็นประโยชน์แก่คนและสัตว์ทั่วไปเล่าไม่กลัวบาปกรรมบ้างหรือเมื่อน้ำเกิดเป็นพิษแก่ใครเข้าพญานาคเองต้องยอมรับบาปโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้แน่นอนตามกฎของกรรมที่มีมาดั้งเดิมเพราะผลของกรรมมีอานาจเหนืออานาจของพญานาคเป็นไห น, ไหน ถ้าพญานาคกลัวบาปกลัวกรรมและกลัวตกนรกก็จงไปถอนพิษออกจากน้ำในบึงนั้นให้กลายเป็นน้ำบริสุทธิ์ขึ้นมาเหมือนเดิมอัตมาและพระทั้งหลายมีได้ไปแตะต้องน้ำที่นั่นเลยเราะทราบดีว่าพญานาคแกล้งทำให้อัตมาและพระทั้งหลายเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะการอาบดื่มใช้สอยน้ำนั้นตอนนี้พญานาคยอมตนยังหมอบราบเลย เพราะตนทำอย่างนั้นจริงและมิได้บอกท่านว่าตนพ่นพิษใส่น้ำแต่ท่านอาจารย์มั่นทราบโดยว ย, ยาดภายในถยอมรับว่าได้ทำอย่างท่านว่าจริงๆแล้วรีบไปถอนพิษจากน้ำในบึงออกหมดจึงกลับมาเรียนท่านและพร้อมกับอารัธนาให้ท่านและพระทั้งหลายอาบดื่มใช้สส่น้ำในบึงนั้นตามสบายโดยจะไม่มีภัยใดๆเกิดขึ้น เรื่องพญานาคที่ถือทิฐิมานะแข่งดีกับท่านอาจารย์มั่นได้กราบยอมตนลงโดยสิ้นเชิงและถวายตัวเป็นสิทธิศึกษาอัตธรรมกับท่านด้วยความสนใจเลื่อมใสยอย่างยิ่งแต่วันนั้นมาเมื่อทราบว่าพญานาคยอมตนและถอนพิษออกจากน้ำหมดแล้วท่านจึงสั่งให้พระลงอาบน้ำและใช้สอยน้าในบึงนั้นต่อไป การอย่างราบเรื่องลึกลับต่างๆดังเรื่องพญานาคเป็นต้นท่านอาจารย์มั่นนับว่าท่านละเอียดละออมากยากที่ลูกศิษย์คนใดจะเสมอเหมือนได้การปฏิบัติต่อพวกกายทิพนั้นท่านอาจารย์ก็คอยแนะนำพระอยู่เสมอเช่นเวลาไปพักอยู่สถานที่บางแห่งกลางคืนยามดึกสงัดพวกเทพมักพากันมาเยี่ยมฟังธรรมท่านเสมอ ท่านต้องคอยเน่พระให้พากันสํารวมระวังมารยาทและบอกให้พักนอนเสียตอนหัวคำ่ำพอตกดึกก็รีบพากันตื่นนอนและประกอบความเพียรเวลาพวกเทพทั้งหลายมาเพื่อให้เขาได้กราบไหว้และชมความเพียรของพระผู้ปฏิบัติพากันบําเพ็ญภาวนาในเวลาเข้ามาเยี่ยมไม่ให้เขาได้พบเห็นกิริยาแห่งการหลับของพระ ซึ่งปราศจากสติและความสวยงามทางมารยาแทแห่งการหลับนอนพวกเทพเคยนำเรื่องของพระที่นอนไม่ค่อยมีมารยาทมาฟ้องท่านอาจารย์เสมอแม้จะเป็นสิ่งที่สุดวิสัยจะแก้สำหรับคนนอนหลับไม่มีสติควบคุมมารยาทในการหลับแต่ก็อยู่ในวิสัยของพระจะควรแก้ไขได้ด้วยการไม่นอ น, นระยะเวลาที่พวกเทพมาหา ท่านจึงแนะให้พักนอนเสียแต่ยังไม่ถึงเวลาพวกเทพมาพระท่านได้พยายามปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านการตำหนิติเตียนพระจากพวกเทพก็สงบไปส่วนท่านที่มีความสามารถในการรับแขกจำพวกกายทิพย์ก็รับเขาเช่นเดียวกับท่านอาจารย์เคยรับผู้ไม่มีนิสัยในทางนี้ก็ทำสมาธิภาวนาของตนไปในเวลาที่เขามาเยี่ยม